ทำให้มนุษย์เป็นอิสระมีบทบาทเป็นของตนเองต่างหากจากนิยามอื่นๆสามารถสร้างร่อแห่งเจตจำนงของตนเองขึ้นมาได้จนถึงกับยกตนขึ้นเทียมเท่าหรือแข่งขันกับธรรมชาติและแบ่งแยกว่าตนมีโลกแห่งการประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่างหากจากโลกของธรรมชาติ เจตนาอาศัยกลไกลของจิตนิยามเป็นเครื่องมือในการทำงานและเมื่อเจตนาทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วกระบวนการก่อผลก็ต้องอาศัยจิตนิยามนั่นแหละดาเนินไปเปรียบได้กับคนขับเรือยนต์คนขับเหมือนเจตนาที่อยู่ฝ่ายกรรมนิยามเครื่องเรือทั้งหมดเหมือ น, นกลไกและองค์ประกอบต่างๆของจิตที่อยู่ฝ่ายจิตนิยาม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 เหมือนกรรมมณยามทั้งอาศัยและทั้งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากจิตตนียามแล้วรับผิดชอบต่อความเป็นไปของชีวิตที่พร้อมทั้งจิตและกายด้วยในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรรมมิยามกับจิตตนิยามนี้ไม่สู้มีปัญหาเพราะไม่สู้มีเรื่องที่มนุษย์เอาใจใส่และไม่ว่ามนุษย์จะใส่ใจรู้เรื่องของมันหรือแม้แต่รู้ตัวหรือไม่ก็ตาม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 บัญญัติให้สมาชิกต้องละเวน้นเช่นสังคมคนปา่าบางพวกบัญญัติว่าฆ่าคนพวกอื่นเป็นความดีแต่สังคมที่จเจริญแล้วบัญญัติว่าฆ่ามนุษย์เป็นความชั่วทั้งนั้นบางศาสนาบัญญัติว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารไม่บาปบางศาสนาสอนว่าการเบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าชนิดใดไม่ดีทั้งนั้น สังคมบางถิ่นบัญญัติว่าหญิงมีสามีมากหลายได้เป็นความดีสังคมบางถิ่นว่าหญิงดีต้องมีสามีเดียวถ้าให้ดียิ่งขึ้นเวลาสามีตายต้องโดดเข้าเผา ต, ตัวตายตามสามีไปในกองไฟที่เผาศพสามีด้วยบางสังคมถือว่าเด็กต้องเคารพต่อผู้สูงอายุกว่าและต้องเชื่อฟังโดยไม่โต้เถียง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 ก็ไม่มาเกี่ยวข้องในแง่ที่จะกระทบกระเทือนต่อก ร, รมนิยามแต่ประการใดและก็ไม่น่าจะต้องเอามาสับสนกับเรื่องก ร, รมนิยามด้วยเรื่องความดีความชั่วที่เป็นบัญญัติของสังคมก็เป็นเรื่องของบัญญัติสังคมหรือสมมตินิยามเรื่องความดีความชั่วหรือว่า้ถูกคือกุศลและอกุศลที่เป็นเรื่องของกรรมนิยามก็เป็นเรื่องของก ร, รมนิยามแม้ว่าทั้งสองอย่างนี้จะสัมพันธ์กัน แต่ก็เป็นคนละเรื่องกันมีจุดตัดแยกระหว่างกันชัดเจนความสับสนเกิดจากการนำเอาความดีความชั่วของสมมตินิยามไปปะปนกับความดีความชั่วคือกุศลและอกุศลของกรรมนิยามที่เป็นคนละแดนกันและไม่รู้จุดตัดแยกที่ถูกต้องขอย้าอีกครั้งว่าความดีความชั่วที่เป็นบัญญัติของสังคม ก็เป็นเรื่องของสังคมอยู่ในขอบเขตของสมมุตินิยามากุศลอกุศลที่เป็นคุณสมบัติของกรรมก็เป็นเรื่องของกรรมอยู่ในกรรมมนิยามเป็นเรื่องต่างหากกันแต่สัมพันธ์กันสิ่งที่เป็นทั้งตัวการสร้างสัมพันธ์และเป็นทั้งจุดตัดแยกระหว่างกันของนิยามทั้งสองนี้ก็เช่นเดียวกับในกรณีระหว่างกรรมมนิยามกับจิตนิยามคือได้แก่ เจตนาหรือเจตจำนงนั่นเองเรื่องนี้เป็นอย่างไรขอให้ช่วยกันพิจารณาต่อไป